พระองค์ก็รู้เลยว่าพวกที่พนน้ําพวกนี้ก็เหมือนกับอุคติตันอยู่พอได้รับธรรมเทศนาก็ตรัสรู้เลยพวกที่อยู่ปริ่มน้ำนะพระองค์ก็แสดงธรรมวันหลังก็หรือช่วงนั้นแสดงพิสดารเขาก็ตรัสรู้พวกนัยยะเหมือนกับพวกยังจมน้ําอยู่ก็บ่มรออินทรีย์บารมีกว่าเขาจะแก่กล้าได้ตรัสรู้พระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุอย่างที่กล่าวไปแล้วเห็นว่าสัตว์ผู้มีอินทรีห้าคือมีทุลีใน คือกิเลสในจักสูตรน้อยพวกที่ขาดอินทรีหพวกนี้เชื่อว่าพวกมีทุลีคือกิเลสในจักสู่มากบางพวกมีอินทรีหแก่กล้าบางพวกมีอินทรีหอ่อนบางพวกพวกที่มีอินทรีหเรียกว่าพวกมีอาการดีผู้ไม่มีอินทรีหเรียกว่าพวกมีอาการซามหรืออาการไม่ดีพวกมีอินทรีห้าสอนให้รู้ง่ายพวกไม่มีอินทรีหสอนยากนะบางพวกก็มีปกติ เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยพวกเหล่านี้พอจะตรัสรู้ได้เนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาตอบเท้ามหาพรหมว่าเราเปิดประตูคืออริยมรรคที่เป็นประตูแห่งพระนิพพานอมตะที่ไม่ตายแก่ท่านแล้วสัตว์เหล่าใดจะฟังใครที่มีหูจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเนี่ยนะนอปล่อยศรัทธามาเถิดดูก่อนพรหม เรามีความสำคัญในความลำบากจึงไม่แสดงธรรมที่เราคล่องแคล่วประณีตในหมู่มนุษย์เนี่ยนะพรมนี้ดีใจไม่ท่าพระพุทธเจ้ารับปาระาธนาเท้าสามบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอกาสเพื่อแสดงธรรมก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานหายไปนะที่นั้นแลก็น่าคิดดูนะว่า ถ้ามหาพรหมเนี่ยถ้าพรหมไม่อาราธนาอะไรจะเกิดขึ้นนะพันพรหมนี่ก็ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีพระพุทธศาสนาโดยคือบทบาทของท่านคือผู้ที่อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเมื่อมีปัญหาอะไรในพระาศาสนาอยู่บ้างพรหมนี่ก็มาช่วยเนี่ยนะพรหมมาช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็ตอนที่าศาสนาร่วงโรยในสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะ ในช่วงนั้นปัญหาเยอะมากติดสะมหาพรหมก็ลงมาเกิดเลยนะเพราะั้นก็ผู้ที่มาจากพรหมโลกนี้เป็นผู้ที่ช่วยพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มากย้อนกลับมาว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริวิตกพรหมราธนาอย่างนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ดำเนินว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครเนาะใครจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันขณะที่พระองค์ก็ดำเนินว่าอาลาละดาบทกะรามาโคดเป็นคนฉลาดมีปัญญาเฉียบและมีทุลี คือกิเลสในจกักรสูน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราเพึงแสดงธรรมแก่อาลาลดาบทกาลามมโคตรก่อนเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันถ้าเข้าฟังเข้าบรรลุเร็วถ้าเข้าฟังเขาจะเป็นอุคติตันยูฟังแล้วบรรลุเร็วทีนั้นเทพพ ย, ยดาคือเทวดาก็อันตรธานมากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าอ า, าลารดาบทสิ้นชีพแล้วเจวันแม้จะไปโปรดแล้วตายไปก่อนเจวันเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ตรวจดู ด, ด้วยสัพพัญยุตญาหนพระองค์ก็รู้ว่า阿拉 ร, ระดาบทกาลามโคดเนี่ยนะสิ้นชีวิตไปแล้วได้เจ็ดวันคิดว่าอาลลดาบทกาลามโคดเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่แล้วเนาะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้น่าจะเพื่อรู้ทั่วให้ฉับพลันเสื่อมใหญ่เพราะเขาไปเกิดใน อากินจัญญายตนาพรหมเนี่ยหกหมื่น 60, กับจุติจาก6กห 0,000 ื่นกับก็ลงมาหาเทวดาและมนุษย์ะนะหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ น, นี้ไม่แน่แล้วนะถ้าเกิดเป็นมนุษย์ตระกูลพอ่อพ่อ้เป็นนายพรานเข้าถูกเสี้ยมสอนหนักๆเข้าไปไหนกันเนี่ยก็ไปอบายต่อเนี่ยนะท่นถร่วงลงมาแล้วก็อย่างว่านะเรียกว่าคืนเรียกว่าหาแรงส่งคืนยากเพราะว่าแม้โลกนี่มันแรงลงดูดของโลกนี่มันแรงนะเอาอะไรโยนขึ้นเนี่ยมันสูบลงมาแล้ยากมากันนะ มันก็เลยสูบไปจนถึงนรกนั่นแหละมันสูบมาตอนนั้นที่จะออกเนี่ยนะต้องทยายามอะไรที่จะออกไปได้ทันถ้าไม่มีพรหมวิหารเป็นต้นเพียงพอก็ยากเนี่ยนะถ้าไม่แทงตลอดอริยมรรคเป็นต้นก็ไม่มีสิทธิ์เลยพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครเนาะใครเนาะจะรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงนี้ได้อย่างฉับพลันก็คิดว่าอุทกะดาบทรา ม, มาบุตรนี่แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลี คือกิเลสในจกักษุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากะไราเราแสดงธรรมแก่อุทกะดาบทรามบุตรเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมะเหล่านี้ได้ฉับพลันประกาศอริยสัจเขาจะบรรลุอริยสัจได้เร็วเลยเทวดาก็มาบอกว่าตายเมื่อคือนนี่แหละว่างั้นตายเมื่อคือนวานพระองค์ก็รู้แล้วว่าตายเมื่อคือนวานเนี่ยนะเกือบแล้วเฉลยทรออีกแค่24ชั่วโมงนี้ได้ดีแน่ ะนะก็มีความเสื่อมใหญ่แล้วนี่เจ้านี้ไปอยู่ในพรหมโลก8ปดหมื่นสี่พันกับทีนี้หลุดลงมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วทีนี้ถ้าลงมาในกับที่มีพระพุทธเจ้าค่อยยังชั่วหน่อยใช่ถ้าลงมาในกับที่ไม่มีพระพุทธาศาสนาเลยจะไปไหนเพราะว่าชนเหล่านี้ไม่ใช่วิสัยที่จะแทงตลอดอริยสัจโดยลำพังตัวเองไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรำเรศว่าเราจะพึงแสดงธรรมแกใ่ใครเนาะใครเนาะจะรู้ทั่วถึงธรรมะเหล่านี้ได้ฉับพลันองค์ก็ดำเนินต่อไปว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะมากแก่เราได้บำรุง เราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้ากะไรเราพึงแสดงธรรมนั้นน่ะแก่พิสุปัญจวักขีก่อนครั้นแล้วก็ดำริดต่อไปว่าบัดนี้พิสุปัญจวักขีอยู่ที่ไหนเนาพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นพิสุปัญจวักขีเหล่านั้นอยู่ที่ปาอิสิ ป, ปั ต, ตนะมฤุกทายวันเขตพระนครพารณาสีด้วยที่ประจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ครั้นพระองค์ประทับอยู่ณนะอุรุเวลาประเทศตามสมควรแก่พุทธานิโรธก็เสด็จลีกไปทางพระนครสาวัตถิ พารณสีอาชีวกชื่อว่าอุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างแม่น้ำขยาและไม้โพเพลกอันตราอ น, นะระหว่างระหว่างไม้โพเพลกกับแม่น้ำขยาครั้นได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอาวุโสอินทรีย์ของท่านพองสา ย, ยิ่งนักอนะอินทนระีย์คือตาหูเป็นต้นเนี่ยผองสใยเหลือเกินผิวพรรณของท่านก็บริสุทธิ์ปุดพองดูก่อนอาวุโสท่านบวชอุทิศใคร มาชีวิตของท่านเนี่ยเจาะจงใครว่า ง, งั้นเถอะปกติเนี่ยคนมันต้องมีมีมีมีมมมที่ไปใช่ไหมมีที่เจาะจงอาท่านเจาะจงใครใครเป็นศาสดาพาท่านออกจากทุกข์ว่า ง, งั้นหรือท่านชอบใจลัทธิคือธรรมะของใครพระผู้มีพระภาคก็ตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมะทั้งปวง เรารู้ทำทั้งปวงด้วยสัพพัญญุตยานอันตันหาและมิจฉาทิฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงและธทมที่เป็นไปในภูมิสามได้ทั้งหมดในธรรมทั้งปวงเรานี่หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาคืออรหัตผลเรารู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอนะสยังอภิญญารู้ยิ่งเองซึ่ง อะไรอภินญยธรรมปริ ญ, ญัยธรรมปรหาตปธรรมสจิกาตปรธรรมภาเวตปรธรรมเนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้รู้ยิ่งด้วยลำพังตัวเองจะอ้างใครเล่าจะต้องอ้างว่าตัวเองอุทิศใครไหมอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลผู้เสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลกพร้อมกับเทวโลกเราเป็นผ่ารหัตในโลกนะนะเราเป็นาศาสด า, สาศาสดาก็คือผู้พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจากโอกะ หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสได้แล้วเราจะไปเมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศธรรมจักจักคือทําให้มุนให้เป็นไปเราจะตีกลองอมะตะธรรมในโลกอันมืดมิดเนี่ยนะมืดจริงๆเลยนะเรานั่งอยู่ใครนี่ใครเห็นอริยสัจบ้างแหละพนั่งอยู่ก็ไม่เห็นอริยสัจจะว่าสว่างได้ยังไงอนะเนาะ นี่เราก็จะในโลกที่มืดมิดนะนะสัตว์โลกที่มืดมิดมากไปด้วยอวิชชาเนี่ยเราจะไปแสดงธรรมให้เขาได้ธรรมจักสุมีตาปัญญาเห็นอริยสัจธรรมอุปการชีวก็บอกว่าอาวุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้โดยประการนั้นโอ้ท่านพูดยังไงก็ขอให้สมสมพรตากไปเถอะวางกันเถอะสมควรแล้วท่านหัวว่าของท่านไป พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะคืออรหัตผลแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราดูก่อนอุปกาเราชนะทำอัลลาหมกเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าอนันตชินเนี่ยนะผู้ชนะเนี่ยนะผู้ชนะอย่างหาที่สุดมิได้เออเป็นให้พ่อเธอพ่อยอมแล้วก็หันก็สันศีสนะสันแบบแขกนะสันแบบยอมรับนะเออเป็นของไทยถ้ายอมรับก็พงกหัวให้นะ แต่นี่ยแขกก็แบบสายหัวนั่นแหละก็บอกว่าอแล้วก็เดินทางหลีกไปว่าทางใครก็ทางใครอ่ะนะที่จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยถ้าจะไปแสดงธรรมจักจะเหาะไปแต่เนื่องจากเห็นอุปการชีวกเนี่ยการที่เห็นเนี่ยไม่ใช่อุปการชีวกไม่เลื่อมใสนะเลื่อมใสอย่างมากเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไ อ, ไ, อไอ้กิเลสหลายๆตัวเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยทําให้หลีกไปสู่อะเรียกว่าอีกชนบทหนึ่งอ่ะนะในที่สุดก็ไปถูกเมียดานี่ยแหละจึง แต่ ง, งานถูกเมียดา่าก็เลยกรอบไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็มีเพื่อนเหมืนอ น, น, นกันตอนหลังก็บรรุเป็นพระอนาคามีนะแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกก็บรลุเป็นพระอาหารหันต์ที่พรหมโลกฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงตาอิสิ ป, ปตนามฤุกทายาวันแขวงเมืองพารณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักของปัญจวัคคีปัญจวัคคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วก็ได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลาย พระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมากมากๆก็คือมักมากในอะไรมักมากในปัจจัยสี่มันต้องมักน้อยเหมือนพวกเขาสิวางกันเถอะนะมักมากจริงเลยมักมากในเครื่องนุ่งห่มในเรื่องอาหารเห็นไหมเมื่อก่อนทําเป็นอดตอนนี้มาฉันอิ่มแป้เลยเห็นไหมบริผิวพันธุบริสุทธิ์ผุดพองไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนพร้อมกระรองตอนนี้มาฉันดูสิผิวคนละอย่างแล้วว่างกันมักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกาลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงเอาพิวาสแปลว่าไม่ต้องกราบอะไรหรอกไม่พึงลุกขึ้นตอนรับไม่พึงรับบาดรับจีวรของพระองค์แต่ก็วางอาสนะเอาไว้ถ้าหากว่าพระองค์ปรารถนาจะนั่งก็ขอให้พระองค์นั่งต่เ ก, ก, ก, ก็เคยยอมรับมาเก่านะแต่ตอนนี้เลิกนับถือแล้วนะก็ตั้งที่นั่งเอาไว้สักที่ก็พอแล้วอยากนั่งก็นั่งไม่อยากนั่งจะไปไหนก็ตามใจว่างั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นั้นไม่อาจจะตั้งอยู่ในกติกาของตน นะแรงบูชาเคารพที่เคยอุปถากอยู่หปีเนี่ยนะหปีที่เคยอุปถากอยู่เนี่ยนะแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพด้วยแล้วก็หปีที่เคยอุปถากเนี่ยไม่เคยเห็นความผิดพลาดของพระโพธิสัตว์แม้แต่นิดเดียวก็เคารพเลื่อมใสยอย่างแท้จริงอ่ะนะเพราะฉะนั้นพอเห็นพระ อ, องคเสด็จมาใกล้จริงก็นั่งอยู่ไม่ได้ลนะต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งก็ไปรับบาตรจีวรอีกรูปหนึ่งก็ปูอาสน์อีกรูปหนึ่งก็จัดหาน้ําล้างพระบาทอีกรูปหนึ่งก็ ตั้งต่างรองพระบาทอีกรูปหนึ่งก็นํากระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายวาราเรียกว่าปู่ประธานเรียบร้อยหมดพระผู้มีพระภาคก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีถวายพระองค์ก็ส่งล้างพระบาทพระปัญจวัคคีก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุนามใช้คำว่าอาวุโสอาวุโสเนี่ยนะก็เป็นคําที่ปกติเมื่อก่อนเรียกว่าคําที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยว่าอาวุโสถ้าผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่เรียกว่าพันเตเนี่ยนะ แต่ว่าสมัยใหม่พูดสักลับกันเลยไปฟังนิยายจีนมามากผู้อาวุโสก็แปลว่าผู้สูงส่งนะอายุมากแล้วผู้มีอายุก็คือยกย่องสรรเสริญอันนั้นถ้าสายจีนอาวุโสเนี่ยก็ผู้อาวุโสก็แปลว่าระดับสูงกว่าแต่ถ้าทางพระพุทธศาสนาผู้อาวุโสแปลว่าผู้อ่อนกว่านะท่านใช้คําว่าอาวุโสก็บอกว่าท่านผู้อ่อนเยาว์วงั้นนะก็แปลว่าผู้อ่อนเยาว์เด็กๆว่างั้นคล้ายๆแบบนี้เมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ นะพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยเขามาถือว่าเป็นพุทธพจน์ที่ไพเราะที่สุดในในถ้อยคําทั้งหมดเนี่ยนะพุทธพจน์ต่อไปเนี่ยเขามาว่าเป็นคําที่อ่อนโยนที่สุดที่ในความรู้สึกของเราอ่ะนะจริงๆแล้วพุทธพจน์ทุกพุทธพจน์เนี่ยทั้งอ่อนโยนเป็นต้นทั้งหมดแหละแต่ว่าตรงนี้มาเขาว่าประทับใจเป็นพิเศษแต่ก็ยังท่องไม่ค่อยจำเลยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอภิกษฎทั้งหลายเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนพิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสัดับเราได้บรรลุอ ม, มะตะธรรมคือพระนิพพานแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทาให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรันรปะชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่คือถ้อยคำอันนี้เนี่ยน ะ, ะเป็นถ้อยคำที่เรียกว่าเป็นถ้อยคำของผู้มีความจริงใจที่สุดเนี่ยนะจริงใจแบบมีปัญญาและมีกรุณาคือหมายความว่า ปกติแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะเปิดเผยตัวเองกันง่ายๆแต่นี้พระองค์ก็อันหนึ่งที่ที่พระองค์ถือว่าสละมากเพราะพระองค์ปกติแล้วเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษไม่ใช่ว่าเป็นคนโอ้อวดเยอะยิงอ่าเที่ยวไปที่ไหนแล้วก็ปรารถนาจะให้คนอื่นเขารู้จักเราไม่แต่พระองค์บอกว่าอ่ะนะห้ามก่อนอย่าอย่าอย่าเถ่าย่าพูดอย่างนั้นนะอย่าเรียกเราว่าชื่อชื่ออะไรโคตมะแล้วใช้คําว่าอาวุโสอย่าเรียกแบบนั้น บัดนี้เราเป็นพระอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็บอกเลยว่าพวกเธอจงเงี้ยโสดลงเถอะเพราะว่าตอนนี้เราได้บรรลุแล้วเราจะสั่งสอนเธอจะสั่งสอนจะแสดงธรรมถ้าเธอฟังเข้าใจแล้วเธอปฏิบัติตามอยู่ไม่ช้าสักเท่าไหร่เธอจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชโดยชอบต้องการันเน